ต่อไปนะจะพึงเข้าไปยึดถือธรรมะอะไรอะไรโดยความเป็นอัตตาเนี่ยไม่มีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยนะที่พระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยจะยึดถือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นอัตตาไม่มีเลยคำว่าอัตตาหมายถึงผู้สร้างผู้เสวยผู้ถูกสร้างผู้ถูกเสวยหรือชีวิตนิรันดร์เป็นต้นะจะยึดถือในลักษณะนั้นไม่มี พระโสดาบันนี้ละได้เด็ดขาดหมดแล้วต่อไปอีกขอโทษนะครับคือละได้ตั้งแต่สัญญาไปเลยเจนพานปกตินิจจะ <c oughs> ก็ดีนะครับสุขก็ดีนี่นะครับพ ร, พระโสดาบันยังเห็นวิปลาสได้เจนพานคิดวิปลาสได้ถ้าอนาคามีเนี่ยยังเห็นวิปลาสเลยเออยังไม่ใช่ยังยังมีสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสพระโสดาบันก็มีสัญญาวิปลาสสาคัญวิปลาสไป าคิดกิตตะคิดวิปปล่าไปได้คิดวิปปล่าแต่ในของถ้าพระโสดาบันพระสกท า, าคามีในของที่ไม่งามว่างามยังมีอยูอ่พระอนาคามีไม่มีแต่พระอนาคามีนี่ยังติดในของที่ยังติดในสุขอยู่เพราะพระอนาคามียังติดในรูปฌานและอรูปฌานยังติดในรูปประพบและอรูปประพบเมื่อท่านยังติดอย่างนี้แต่เป็นสุขวิปปล่าเมื่อกี้นี้เราไล่ถึง วิปุราในเรื่องนิจจะใช่ไหมครับเจมนว่าเที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมครับเจมส์พานพระโสดาบันยังยังละไม่ได้เอเรื่องเที่ยงนั้นพระโสดาบันละได้หมดเกลี้ยงเลยอ๋อละได้หมดเจมส์พานถ้าอย่างนั้นไม่ว่าสกัทาคามีนาคามีก็ต้องละได้หมดออละหมดเลยละตั้งแต่โสดาบันแล้วเรื่องเที่ยงใช่ไหมครัเจมพาเรื่องเที่ยงเนี่ยตอนนี้สุกสุขถ้าสุขด้วยอำนาจทิฏฐิพระโสดาบันละได้เลยคือบางคนมีทิฏฐิในสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งว่าสุข นะแต่พระโสดาบันเนี่ยทิฐิที่ไปสําคัญในรูปนามขันห้าโดยความเป็นของสุขไม่มีโดยทิฐินะแต่โดยสัญญากับโดยจิต ม, มีอยู่โสดาบันนี้สําคัญว่าทั้งหมดเป็นอาัต arn าี่ไม่มีเลยโดยเด็ดขาดทุกชนิดด้วยอํานาจของควา้าด้วยสัญญาหรือจิตหรือทิฐิก็ตามต่อไปนะไม่ใช่ฐานะที่พระโสดาบันจะเพลิงะจะพึงปลงชีวิตของ มารดาแปลว่ายังไงท่านก็ไม่ฆ่าแม่อย่าว่าแม่เลยยุงยังท่านยังไม่ตบเลยนั่นแหละแม้แต่ยุงพระโสดาบันก็ไม่ฆ่าว่า้ น, นหรือคนบอกว่าท่านฆ่าแมาลงสักตัวหนึ่งถ้าท่านฆ่าแมาลงนะจะให้ท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระโสดาบันก็ทําไม่ได้ท่านก็ไม่ทำถ้าหากว่าท่านไม่ฆ่าแมาลงฉันจะฆ่าจะฆ่าคุณนะพระโสดาบันก็ไม่ทํายอมตายยอมให้เขาฆ่าโดยที่ไม่ยอมฆ่าศัพว์ อันที่บอกว่าทำไมจึงกล่าวว่ายกแม่มาเลยบอกว่าปุถุชนยังไม่พ้นจากการฆ่าแม่ยังไม่พ้นจากการฆ่าพ่อยังไม่พ้นจากการฆ่าพระรหันยังไม่พ้นจากการมีจิตคิดประทุษร้ายทำโลหิตของพระตถาคตให้ห่ออยู่แล้วก็ปุถุชนนั้นยังทำลายสงอยู่ปุถุชนยังนับถือศาสดาอื่นอยู่ เรียกว่าปุตุชนนั้นยังเลือกหน้าศาสดาอยู่ก็ถ้าหากว่ า, วาช่วงไหนกุศลจิตเจริญเกิดขึ้นบ่อยบอกเอ้พระพุทธเจ้านี้ดีดีพออกุศลจิตมีกําลังมากขึ้นเออศาสดาอื่นก็ดีถ้าใครเคยอ่านประวัติของสุนัขตาฤชวีเนี่ยพระสุนัขตาฤชวีภิกษุเนี่ยบางวันเนี่ยท่านศรัทธาในพระผู้มีพระภาคหูเอาจริงเอาจังมาก พรอีกภาคหนึ่งนะไปเห็นนักบวชแก้ผ้าโอ้คลานตมเตียมตมเตียมคล้ายๆกับหมาเนี่ยอในบรรดาอารหันในโลกเนี่ยทุกคนนี้ต้องเป็นอรหันหนึ่งในโลกด้วยยังขนาดอยู่ในยุค ข, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนัขคตาลิชวีก็ยังมีความคิดแบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าปุตุชนนั้นยังหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ปุตุชนนั้นยังเมืดยังบอดยังหนาอยูอ่ตรงนี้ก็เป็นถ้าหากว่า เป็นอนิสง์ของโลกุต ร, สระสารนคมทีนี้ถ้าหากว่าโลกิยะสารนคมอ่ะถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายอ่าที่ถึงไตาสารนคมแล้วจะได้รับอนิสง์อย่างไรบ้างในหน้าสิบสามนะกล่าวว่าส่วนโลกิยะสารนคมมีภาวะสมบัติบ้างภาวะสมบัติภาวะก็คือพบนั่นเองการมาสุกติพบเป็นต้นนะนะการมาพบรูปประพบอรูปประพบเป็นต้นหรือพขสมบัต บ้างเป็นผลเหมือนกันนะันการถึงไตรสารณาคมนี้ก็ทำให้เกิดในภพที่ดีเป็นปัจจัยให้ได้รับทรัพย์สมบัติต่างๆด้วยสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิเขาละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากยางกายที่ให้บริบูรณ์คือตายจากมนุษย์ก็เป็น เทวดาวางนันและก็พระธรรมสังหากาจารย์คำนี้เป็นแปลว่าอาจารย์ผู้ธรรมสังขารณาก็คือพระสังคีติกาจารย์มีพระมหากัส ป, ปะพระอนนท์พระอุบาลีเป็นต้นนะพระอรหันาร5อ0องค์ที่ร้อยกรองธรรมวินยัยสงเคราะห์ธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่อย่างนี้เขาเรียกว่าพระธรรมสังฆากาจาร์ ได้กล่าวคำแม่อื่นไว้อีกว่าครั้งนั้นแลเท้าสกกะจอมเทพพร้อมด้วยเทวดาแปดหมสี่พันเข้าไปหาพระโมกคาลานะถึงที่อยู่ท่านพระโมกคาลานะก็ได้กล่าวคำนี้กับเท้าสกกะจอมเทพผู้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าขอถวายพระพรท่านจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งเป็นการดีแลดูก่อนจอมเทพ เพราะเหตุแห่งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแลสัตว์บางพวกจึงเข้าถึงสุขติคือโลกสวรรค์หลังจากตายแลว้วเพราะร่างกายแตกสลายไป น, นะเพราะนับถือพระพุทธเจ้านี้ก็ทำให้ไปถไปสวรรค์ใช่ไหมก็เหมือนกับพวกชาติมานพอะ น, นะชาติมานพบใช่ไถึงตายสารณคมแล้วก็ถูกฆ่าก็ยังไปสวรรค์ ด้วยประการชนี้พวกเขาย่อมเด่นล้ำเทวดาเหล่าอื่นด้วยฐานะสิบสถานถ้าเกิดเป็นเทวดาน ะ, ะสมมติถ้าคนทั่วไปให้ทานแล้วเกิดเป็นเทวดากับคนนี้เนี่ยถึงไตราสารณาคมผลของการถึงไตราสารนาคมทำให้เกิดเป็นเทวดาเขาจะเหนือเทวดาเหล่านั้นสิบอย่างด้วยกันคือหนึ่งอายุทิพย์อายุก็ต้องยาวกว่า 2. วันณะทิพย์ผิวพรรณต้อง ดีกว่าหน้าตาต้องหล่อกว่าอยู่แล้วเนะาะสสุขทิพยนะ์ความสุขแล้วก็สี่ยศที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นบริวารยศเป็นต้นตำแหน่งสูงอย่างนั้นเนี่ยต่อไปอธิปไตยทิพย์ความเป็นใหญ่เรียกว่ามีเดชมีอำนาจมากกว่าแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะอันเป็นทิพย์ถ้าได้บริโภคสีก็ได้สีที่ประณีตกว่าคนอื่นทั่วไปได้ฟังเสียงที่เพระกว่า ได้กลิ่นที่หอมกว่าได้รสที่อร่อยกว่าปนิดกว่าได้สัมผัสที่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นผลของการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะแลนะข้อความในเวลามาสูตรกล่าวว่าการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค การที่บุคคลมีใจเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์อันมาจากจตุรทิศนะสร้างแปลว่าถ้าสร้างศาลาสักอันหนึ่งนะอุทิตแก่สง์ที่มาจากที่ทั้งสี่สงมาจากที่ไหนก็ได้เปิดกุญแจเข้าไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านใครนะเพราะเป็นของสงนะตรงชันใดเขบอกว่าอั น, นิี้สงการสร้างอันนั้นเนี่ยมีน้อยกว่าการถึง ไตรสรนคมนั่นจะยกข้อความในคัมภีอังคุตรนิกายนวากานิบาศนะนะีในเวลามาสูตรก็ได้กล่าวถึงผลของการถึงไตราสารณคมแต่ว่าได้กล่าวรายละเอียดอย่างอื่นด้วยข้อความในอังคุตระนิกายนวาการนิบาศเวลามาสูตรว่าด้วยการให้ทานที่มีผลมาก สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบินทิกะเครือหาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านอนาถบินทิกะเครืหาบดีว่าดูก่อนเครืหาบดีในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่บ้างหรือหนอนะ อยางให้ทานหรือเปล่าก็บอกถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงถามอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้อนาถบินธิกาเศรษฐีตกยากนะยากจนเลย<ม>ที่ที่หมดซับไปนะอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยสร้างวัดหมดรวมเบธธ็ดเสร็จนะซื้อที่18โกดสร้างที่พักอีก18โกดฉลองอีก18โกดนะสร้างให้เฉยเนี่ย้อบล้านะ ฉลองหมดร้อยปสิบล้านไอ้ฉลองใหญ่โตมา ก, ก น, นะคือเลี้ยงพระเป็นเดือนน่ะเลี้ยงพระทั้งพรรษาแล้วก็ทายที่สุดก็หาผ้าอย่างดีเนี่ยมามาทำกุศลเนี่ยหลังจากนั้นเพื่อนพ่อค้าก็มากู้ไปสิบปดโกดถูยืมไปร้อยแปดสิบล้านแล้วก็ทรัพย์อันเป็นมรดกส่วนหนึ่งก็ไปฝังไว้ที่แม่น้ำน้ำป่ามันบ่ามาเนี่ย พัดเอาทรัพย์เนี่ยลงทะเลเกลี้ยงไม่มีธนาคารใชสมัยก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยถึงความยากจนพอยากจนนี้ก็ยังให้ทานอยู่ที่พระผู้มีพรภาคก็เลยถามว่าท่านยังให้ทานอยู่หรือท่านอนาถบินทิกากรหาบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่แต่ทานนั้นเป็นเป็นของเศร้าหมองเป็นปลายข้าวมีน้ําผักดองเป็นที่สอง นะข้าวก็เป็นข้าวหักหักแล้วนะก็พวกน้ำส้มผักกาดน้ำส้มพระองคมอย่างเงี้ยเป็นเป็นกับข้าวว่างั้นเท่าน้ำส้มพระองค์นะก็คือพวกน้ำส้มผักกาดอะไรต่างๆอางอ น, นี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนเคร่อหาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณี๊ตก็ตามนะคือวัตถุนั้นไม่สําคัญว่างั้นแทะแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพ ไม่ทําความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือก็คือให้แบบทิ้งทิ้้างว่างะนะเมื่อไรจะให้สักทิงก็งไม่รู้อย่างเงี้ยเรียกว่าให้ของที่เหลือและก็ไม่เชื่อกรรำและผลของกรรมให้ทานทานนั้นย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆคือผลของการผลของการทําบุญในลักษณะเนี้ยนะผลของการทําบุญแบบไม่เคารพไม่นอบน้อม แล้วก็ให้ของที่เป็นเดนเป็นต้นแล้วก็ไม่เชื่อกรรมและผลของก ร, รมอะ่ะไอ้ผลของบุญอันนี้ก็ให้ผลเหมือนกันแต่ว่าให้ผลไปเกิดในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้นั้นคือจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีเขาเอาข้าวดีๆมาเลี้ยงเนี่ยกินไม่ลงต้องกินพวกข้าวที่มันปนรำปนแกลบนะน้าผักกาดดองน้าอะไรพวกนี้จึงจะอร่อยนะแต่ถ้าหากว่าอาหารดีๆเนี่ยทานไม่ลง ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีนนะถ้าหากว่าผ้าเนื้อละเอียดผ้าละเอียดๆตัวใช้ไม่เป็นเลยแต่ถ้าผ้าแบบเอาใยมะพร้าวมาทอเนี่ยอหอมดีเหลือเกินอย่างเงี้ยชอบสัมผัสที่ห ย, ยาบๆแบบนันแล้วก็ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีถ้ารถเนี่ยรถใหม่ๆเลยถอยออกมาเลยเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องไปหารถประผูกมาใช้ขับไปซ่อมไปอะไรเงี้ยทําได้ แล้วก็ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคการมาคุณห้ายอย่างดีอะไรที่ดีไม่ชอบสักอย่างเลยหาแต่ของเลวๆมาใช้เรียก ว, ว่าเป็นอัธยาศัยแบบนั้นเลยแม้บริวารชนของผู้ให้ทานคือบุตรภรรยาทาดคนใช้คนทางานก็ไม่เชื่อฟังนะมีลูกโอ้ยว่ายังไงลูกไม่ฟังทักคำเลยนะมีภรรยาก็ต่างคนต่างไปอะ่ะคนใช้ก็สั่งทีก็ทำทีไม่สั่งก็ไม่ทาลักษณะเนี่ย แล้วก็เป็นคนที่ไม่เงี้ยหูฟังส่งจิตไปในที่อื่นเวลาคุยด้วยนี่ก็ตาละห้อยตาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ฟังเลยไม่อยากฟังเลยอ่าคนที่เป็นลักษณะนี้ถามว่าคนนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เพราะผลแห่งกรรมที่ตนทําโดยไม่เคารพเป็นต้นะนะใครที่สังเกตดูนะไม่ไม่มีคือของเนี่ยมีอยู่แต่ไม่น้อมไปบริโภคของที่ดีอย่างเช่นไปซื้อกล้วยมาสักหวีหนึ่งนะ มันมีลูกเน่าอยู่ตัลูกก็กินลูกเน่ากันวันหลังไอ้ลูกที่เหลือก็ดีๆก็เน่าอีกก็กินแต่ลูกเน่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ร, ยรยลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นผลของการให้ทานที่ไม่เคารพเป็นต้นจิตเนี่ยไม่น้อมไปเพื่อที่จะใช้ของดีๆเลยแต่ก็แปลกว่าที่เราทาทานนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ทาที่มันสมบูรณ์ทุกครั้งไป บางครั้งเราก็ทําด้วยวัตถุซึ่งมันเศร้าหมองซึ่งเราไม่ต้องการแล้วก็มีแต่ว่าเป็นยังเป็นพอเป็นประโยชน์กับผู้อื่นใช่ไหมครับเแต่บางครั้งเราก็ท enfin ําด้วยความน้อมน้อมทำด้วยของที่มันเป็นของสูงอะไรเนี่ยนะก็สลับกันไปเนี่ยแล้วอันไหนครับที่จะให้ผลอันไหนครับก็ต้องหนึ่งนะอ่าอันไหนมีกําลังมากกว่าอะไรเป็นกุศลที่หนักกว่าสองอย่างเนี่ยนะตัวที่หนักกว่าประณีตกว่าจะให้ผลและอย่างหนึ่งถ้าหากว่า ไอ้กรรมที่ทําแบบทิ้งๆข้างๆเกิดไปทําใกล้ตายอ่ะกรรมมันนั้นต้องให้ผลก่อนนะแต่ถ้าหาว่าธรรมดาทั่วไปแล้วอะไรที่มันมีกําลังมากกว่านั้นจะให้ผลแต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นชื่อว่าทานต้องดีต้องดีเสม อ, อดีกว่ามไม่ให้จนพอดีกว่าต้องดีกว่าไม่ให้แน่นอ น, นใช่ไหมครับคือ พ, พูดอีกในหนึ่งะนะคือไหนๆก็จะให้แล้วน่าจะเลือกให้อ่ะคล้ายๆกับผลไม้เรามีผลไม้ที่จะบริโภคอยู่แล้วใช่ไหม ไหนๆก็จะบริโภคก็เลือกบริโภคดีๆหน่อยอะนะมันการให้ทานก็เหมือนกั น, นไหนๆก็จะให้เออถ้าไม่มีให้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็บางครั้งของที่เราเหลือมั่งเกินจากที่เราต้องการบ้างเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็ให้อ่ะครับเพราะอย่างน้อยที่ทสุดก็เป็นประโยชน์คือให้เพื่องสองเคราะห์เข้าน ะ, ะเรียกว่าการให้ทานนั้นอ่ะมีสองลักษณะด้วยกันเรียกว่าให้เพื่อประสงค์บุญอย่างหนึ่ง ให้เพื่อสงเคราะห์อย่างหนึ่งการที่บุคคลให้ทานในลักษณะถวายกับพระสงฆ์เป็นต้นน่ยนะหรือบูชาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าทําเพื่อประสงค์บุญแต่ถ้าหากว่าให้กับยาจกวันิพกส่วนหนึ่งก็เพราะหวังจะสงเคราะห์เขานั่นแหละดูการขึ้นหาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือ เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้ น, น, นบังเกิดผลในตระกูลใดๆตระกูลนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรมมาคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทางานก็เชื่อฝังดี เงี่ยหูฝังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรท้งนี้เพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพนะการทำาดยความเคารพนี้ส่วนหนึ่งทำให้เกิดในตระกูลสูง้วยนะการทำอากุศลประเภทเคารพนบนอบเนี่ยพอองศ์ตรัสดูก่อนครหบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหม์ชื่อว่าเวารามะพราหม์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือ ให้ถาทองเต็มด้วยรูปิยะ 84% ดหมันถาดถารูปิยะเต็มด้วยทอง 84%, ดหมพันถาดทาสัมฤทธ์เต็มด้วยเงิน8ปดหมพันถาดให้ช้าง 84%, ดหมพันเชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยขายทองให้รถ 84% ดหมื่นสี่พันคันอันนี้เป็นสังขยาหรือว่าเป็นจริงๆครับ คือเป็นให้ให้จริงๆเพราะว่ามันจะเป็นสังขยาคุณศัพท์หรือเปล่าครับของธรมาเนี่ยเชื่อว่าท่านให้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอ่าเวลามาพราหมณ์คนนี้เนี่ยเข้าเป็นอาจารย์ของพระราชา8ปดหมสี่พันองค์เพราะฉะนั้นปกติเนี่ยพระราชาทั้งหลายจะส่งสวยให้เขาเยอะทีนี้แล้วก็เขาเนี่ยเกิดในตระกูลซึ่งร่ํารวยมาหลายชั่วโคตรมากนะอย่าลืมนะบางแห่งของประเทศอินเดียเนี่ยรวยก็รวยสุดก็อยู่นั่นเหมือนกัน บางคนเนี่ยมีใจใจกล้าทำขนาดนี้เลยนะและอย่างหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยขนาดชีวิตยังให้เป็นฐานได้อันในส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้และต่อไปบอกว่าให้รถเนี่ยแปดหมื่นสี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงไม่ไม่ใช่รถแบบสมัยนี้นะคนละคนละอย่างเป็นรถมา้ารถอะไรแบบสมัยก่อนนะ หนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยขายทองให้แม่แม่โค น, นมเนี่ยแปดหมื่นสี่พันตัวมีน้ำนมไหลสะดวกให้ภาชนะเงินเนี่ยรองน้ำนมแล้วก็ให้หญิงสาวอีก8 4ดหม่นสี่พันคนประดับด้วยแก้วมณนีและแก้วกุนทนนั่นแหละถ้าหากว่าฟังตรงนี้โอ้จะเป็นไปได้เลยถ้าหากว่าไปอ่านในอปท า, าน พวกหญิงที่เป็นบาทปริจาริกาของของพระโพธิสัตว์นั้นน่ะเขาอุทิศชีวิตให้พระโพธิสัตว์จริงๆนั่นแหละก็บอกว่าหมอมชั้นเนี่ยถูกพระองค์ให้ทานมาก็ไม่เสียใจเพราะว่าได้ค่ า, าสละชีวิตให้แก่พระองค์แล้วั้นผู้หญิงเหล่านี้เขาก็เต็มใจนะที่จะให้ให้บริจาคอะแล้วก็ให้บรรลัง8ปดห0พที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ มีเครื่องลาดอย่างดีทําด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเป็นเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองแล้วก็ให้ผ้า 84,000 พกอดคือคือเป็นพับๆป่ะนะให้ผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้าเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใยญถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องลูบไล้ที่นอนเนี่ยไหลไปเหมือนแม่น้ำอังกุระเทพบุตรเนี่ยก็ให้ฐานลักษณะนี้เหมือนกัน แต่เขาไม่ได้ให้ทานแล้วเพื่อปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเพียงแต่ไปเห็นเปรตหลังจากที่เห็นเปรตก็มาให้ทานอย่างจรงิงจังแต่เวลามาพรามนั้นให้ทานเพราะปรารถนาเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างหนึ่งนะอธิษฐานบารมีหรือว่าท่านสมาทานบารมีตั้งแต่สมัยที่เกิดในชาติที่เป็นสุมเม็ดดาบทว่าท่านจะต้องให้ทานเหมือนกับหม้อคว่เหมือนกันหม้อที่คว่ำแล้วเนี่ย ไม่เหลือน้านําไว้ฉันใดข้าพเจ้าขอสมาทานจะให้แบบนั้นแหะแล้วก็ให้แล้วต้องทําความปราถนาไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังท่านก็สมาทานลักษณะา น, านั้นด้วยดูก่อนขึนหาบดีก็ท่านจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามาพรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นดูก่อนขึ้นหาบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนั้นเราเป็นเวลามาพรามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักขินายะบุคคลคือไม่มีบุคคลผู้ควรแก่การรับทานเลยใครๆไม่ชำระทักขินานั้นให้หมดจดดูก่อนเครหาบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทวิติผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามาพรามให้แล้ว ทานที่บุคคลเชื่อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิร้อยท่านคําว่าให้ทานแก่ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฐิผู้เดียวนี้ก็หมายถึงพระโสดาบันนั่นเองวางงั้นให้ทานกับพระโสดาบันเนี่ยนะครั้งเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าทานของเวลามะพร้ามทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ให้ทานกับพระโสดาบันหนึ่งร้อยองค์ก็มีผลมากกว่า พระสโสดาบันองค์เดียวและก็ให้ทานกับพระสโสดาบันเนี่ยร้อยองค์ก็มีผลน้อยกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพระสกะทาคามีผู้เดียวบริพกนะให้กับพระสกะทาคามีบุคคลเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าให้พระสโสดาบันร้อยท่านนะก็บอกว่าการให้ทานกับการ ที่บุคคลเชื้อเชิญพระสกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคร้อยองค์ก็ต้องดีกว่าองค์เดียวอยู่แล้วเนาะคือให้กับพระสกทาคามีร้อยท่านก็ได้ผลมากกว่าท่านเดียวอ่ะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีร้อยท่านบริโภค หาพระนาคามีมาองเดียวนี่ไม่ต้องนิ่มวนพระสกทาคามีร้อยองเลยอะทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระนาคามีร้อยท่านมีผลมากกว่าทานที่เชื้อเชิญพระนาคามีผู้เดียวบริโภคผู้ร้อยองก็มากกว่าองค์เดียวอยู่แล้วเนาะทานที่บุคคลถวายพระอาหารผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระนาคามีร้อยท่านบริโภค ให้ทางกับพระนาคามีองค์พระอรหันต์องเดียวเนี่ยไม่ต้องนิมนต์พระนาคามีตั้งร้อยองเลย ไ, ลไปหาที่ไหนนะ<า> <ๆ S 1> ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันทร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอารหันต์ผู้เดียวบริโภคพระอรหันทร้อยองค์ก็ต้องมากกว่าองค์เดียวทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกภูตเถเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทาน ที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ร้อยรูปบริโภคนิมนต์พระปเจกมาองคเดียวนี่ไม่ต้องนิมนต์พระอรหันต์อีกร้อองค์เลยทานที่บุคคลถวายให้พระปเจกพระพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปเจกพระพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ตะสมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปเจกพระพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภค น, นะนี่มณฑ์พระพุทธเจ้าองค์เดียวในว่านินมนฑ์พระปะัจเจกร้อองค์เลยทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคคือถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์นี่ก็มีมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวใช่ไหมการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจตุรทิศ มีผลมากกว่าทามที่บุคคลถวายให้ภิกสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคนะสร้างเสนาสนะเพื่อที่จะอุทิศสง์ที่มาจากทิศ ท, ทั้ง4มีผลมากกว่าถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุคอีกการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารนะมีผลมากกว่าทามที่บุคคลสร้างวิหาร ถวายสงอันมาจากจตุรทิศถึงไตราสารณาคมนะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเข้าใจเป็นต้นเนี่ยมีผลอ น, นิสงส์งมากกว่าที่ว่าไปแล้วตั้งมากมายมหาศาลบอกคนที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆก็จะให้ทานด้วยจะรักษาศีลด้วยนั่นแหละเขาก็ไม่ประมาทการที่บุคคลมีใจเลื่อมใสสมาทานศึกขาบทคืองดเงีงดเว้นจากปาณาติบาสงดเว้นจากอธินาทานงดเว้นจาก การเมสุมิจฉาจานงดเว้นจากมุสาวาตงดเว้นจากการเดิมสุราและเมไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการถึงสารณะนั่ น, หนแหละจนพอเอาก็คนที่ถึงสารณะเนี่ยด้วยสมาทานศีลด้วยก็มีผลมากกว่าก็คือถือว่าเป็นคนที่มีศีนที่ที่มาจากถึงสารณะนะคนถึงสารณะ ถึงสารณะอย่างเดียวไม่มีศีลกับถึงสารณะด้วยมีศีลด้วยไหนมีผลมากกว่าเจนทอนทั้นคนที่ถึงสารณะด้วยก็มีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสุดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีใจเลื่อมใสสมาทานศิกษาบทห้านั้นอีกเจริญเมตตาจิตมียนิสงมากกว่าการรักษาศีลอีก ดูก่อนเครือหาบดีข้อความก็ทวนอีกครั้งหนึ่งจนถึงว่าการที่บุคคลเจริญอนิจจะสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมอันเจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยอ น, นิสงเยอะที่สุดแปด0มืนสี่พันนะ แล้วมันตรงกับในตรงกับพระไตรปิฎกแปดพัดด 80, 000, พรรนพัรธมัขันะก็ <จน S 1> อันนี้ก็แล้วก็เจอบ่อยๆด้วยนะแป0 0ม่ี่พันบาบางอย่างการนับมีมีวิธีการนับในคัมภีร์เนี่ยหลายอยา่างบางอย่างเป็นสังขยาคุณนามก็คือเป็นเป็นการนับที่เป็นคุณเฉยๆบ่งในลักษณะว่ามากนั่นแหละคืออย่างสมมติว่าพระพุทธเจ้ามีรัศมีตั้งพันอย่างเงี้ย ก็คือว่าบ่งถึงว่าโอ้โหรัศมีของพระ อ, องค์นี่มากหรือว่าคุณของพระพุทธเจ้านี่มากจริงๆเลยก็เอาตัวเลขมาแล้วคนเป็นสนแสนๆอย่างเงี้ยนะก็คือแบบคนเยอะนั่นเองเหมือนการคําบางคําก็เป็นสังขยาในลักษณะเดียวกันบางอย่างก็เป็นสังขยาที่จํากัดจํานวนบางอย่างเป็นสังขยาในลักษณะคูณกันอย่างเช่นทวิปัญจานี่เป็นสังขยาคูณใช่ไมสองคูณหนั่นแหะ อันการนับนั้นมีหลายอย่างแล้วก็บางอย่างก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะนิยมเหมือนกันน ะ, อ, ะอย่างในพระไตรปิฎกนี่คําว่าแปดหมืนสี่พันเป็นตัวเลขที่นิยมแล้วแล้วพิกษูก็เหมือนกันนิยมห้าร้อยอย่างเงี้ยห้าร้อยก็เป็นตัวเลขที่เขานิยมแต่ขาดเกินบ้างก็ไม่ไ ม, ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าตัวเลขที่มันง่ายต่อการจำนั่นแหละอย่างสมมติชาดกนี่ห้าร้อยหสิเรื่องเนี่ยทาไมต้องห้าร้อยห้าิบนะที่จริงไม่ถึงนะแต่ก็เพื่อที่จะ ให้มันนับง่ายตัวเลขที่จะง่ายง่ายง่ายต่อการจำก็มีครับใครมีปัญหาอะไรไหมครับอะไรนะ <c oughs> เนี่ยเป็นจำนวนมากกว่านะจากข้อความในอัตกถาสันเลขาสูตรมัชิมนิกายมูลปัญ น, นาตนะกล่าวว่า การให้ทานกับฤาษีนอกศาสนาเนี่ยนะที่ได้ฌานสมาบัติอภิญญาห้าเนี่ยมีผลเป็นแสนโกดัง น, นั้นเถอะมีผลมากมายมหาศาลแต่ว่าให้ทานกับผู้ที่ถึงไตรสารณาคมเนี่ยมีผลมากกว่าให้กับฤาษีเหล่านั้นอีกอ น, นะกล่าวว่าอันที่จริงสมาบัติทั้ง8ของคนภายนอกพระพุทธศาสนาทั้งหลายเป็นบาตของวัตตะเท่านั้นแต่ในศาสนาพุทธ แม้สารณคมก็พึงทราบว่าเป็นบาตรของโลกุตระธรรมได้ตามพระสูตรนี้โดยเฉพาะจะป่วยกล่าวไปลายถึงธรรมะทั้งหลายมีอวิหิงสาเป็นต้นเล่าอันผู้ที่เจริญอวิหิงสาหรือเจริญกุศลกรรมบดเป็นต้นก็เพื่อเป็นไปให้ได้รับโลกุตระธรรมทานที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระในศาสนาพุทธ มีผลมากกว่าทานที่ให้แก่คนนอกาศาสนาที่ได้สมาบัติแแม้มีอภิญยาห้าก็ตามเพราะในทักษิณวิพังกสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาความข้อนี้จึงได้ตรัสไว้ว่าทักษิณมีผลคูณด้วยแสนกุศทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่บุคคล น, นอกาศาสนาผู้ปราศจากความยินดีในการทั้งหลาย แต่ทักขีนามีผลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถูกทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลจะกล่าวทำไมถึงพระโสดาบันความจริงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลในทักขีาวิพังคสูตรนั้นพระองค์ประสงค์เอาตั้งแต่การถึงสรรณะเป็นต้นไปนั้นของเราเนี่ยนะถ้าเรา ถ้ายิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยถ้าเราเป็นผู้มีเป็นผู้ถึงไตรสรณคมนะลูกหลานเขาเลี้ยงดูเราอะไรเราก็ลูกหลานเขาได้บุญเยอะนะได้ผลมากไนดะ้อานิสงส์มากในส่วนนี้เพราะว่าพ่อแม่นะัโดยทั่วไปธรรมดาแล้วก็ถือว่าเป็นผ้าอรหันของลูกอยู่แล้วถ้าหากว่าพ่อแม่เหล่านั้นเป็นผู้ที่ถึงไตรสรณคมมีศีลมีธรรมเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญของลูกของลูกๆด้วยและในขณะเดียวกันคนอื่นเขาจะหยิบยื่นข้าวของให้นะก็ถือว่าเขาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ด้วยกุศลจิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาบุญเหมือนกันนะเพราะเป็นนาบุญที่พองค์กล่าวว่าเชื่อว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมก็เชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเพราะว่าการทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเบื้องต้นก็คือการถึงไตรสรณคมเป็นต้นไปนั่นแหละถ้าไม่ถึงไตรสรณคมซะก่อนนะีไม่มีทางหรอกนอกจากคนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไปโปรดเอง ซึ่งซึ่งเขาได้ดีอ่ะนะซึ่งแต่ยังไงเขาก็ต้องถึงสารณะในขณะที่ฟังธรรมในขณะนั้นแหละเพราะฉะนั้นการถึงไตรสรนนคมเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยและอีกอย่างหนึ่งทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วสารณะที่พึ่งของเราจริงๆเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ชี้นําในเรื่องของชีวิตของเราทั้งหมดแต่เราจะรู้ได้ก็ด้วยการศึกษาพระธรรมนะเพราะผู้ผู้ศึกษาพระธรรมนั่นแหละจึงจะเข้าใจเรื่องของ พระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องของพระธรรมและเข้าใจในเรื่องของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นการศึกษานี่แหละจะช่วยสุตะนี้ผู้ศาสนาขึ้นต้นด้วยสุตะสาวกก็คือผู้ฟังนั่นเองแต่ฟังจนได้เป็นพระอริยะก็เลยเรียกว่าอาริยะสาวกเพราะฉะนั้นการศึกษาของเราก็จงเป็นไปเพื่อเป็นอริยะสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละ